พระศาสดาทรงปฏิเสธอย่างอ่อนโยนพระนางอ้อนวอนถึงสามครั้งแต่พระศาสดาก็หาทรงรับไม่ทรงยืนยันอย่างเดิมพระนางถึงแก่โท ม, มนัสเป็นอย่างยิ่งไม่อาจทรงกลั้นอสุชนไว้ได้ทรงน้อยพระไถยที่อุตสาหตั้งพระไถยทำเองโดยตลอดยิ่งล้าลึกถึงความหลังครั้งอดีต ที่เคยโอบอุ้มเลี้ยงดูพระพุทธองค์มาตั้งแต่ยาววัยด้วยแล้วยิ่งน้อยพระทัยหนักขึ้นพระนางทรงกันแสงนําจีวรผืนนั้นไปสู่สํานักภาษารีบุตรเล่าเรื่องให้ท่านทราบแล้วกล่าวว่าขอพระคุณเจ้าได้โปรดรับจีวรผืนนี้ไว้ด้วยเถิดเพื่ออนุเคราะห์ข้าพเจ้าพระสารีบุตรทราบเรื่องแล้วก็หารับไม่ แนะนำให้นำไปถวายพระพิสุรูปอื่นและปรากฏว่าไม่มีใครรับจีวรผืนนั้นเลยพระนางยิ่งเสียพระไทยเป็นพันทวีในที่สุดพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วให้พระนางถวายแก่พิสุบวัใหม่รูปหนึ่งแล้วทรงปลอบให้พระนางคลายจากความเศร้าโศกและให้ร่าเริงบันเทิงด้วยบุญยกริยาอันยิ่งใหญ่นั้นว่า รูก่อนโคตมีผ้าที่ท่านถวายแล้วนี้ได้ชื่อว่าถวายสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพลานิสงฆ์มีมากกว่าการถวายเป็นส่วนบุคคลแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือกว่าการถวายแก่พระพุทธเจ้าเองโคตมีเอยการที่ตถาคตไม่รับจีวรของท่านนั้นไม่ใช่เพราะใจไม้ไส้ระ ก, กรรมอะไร แต่เพราะมุ่งประโยชน์อันสูงสุดที่จะพึงมีแก่ท่านเองปาติกบุก ค, คลิกทานใดๆจะมีผลเท่าสังฆทานหาได้ไหม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 การทำตอบแทนด้วยการถวายข้าวน้ำและเครื่องใช้ต่างๆและการเคารพกราบไหว้เป็นต้นยังเป็นสิ่งเล็กน้อยคือไม่สามารถตอบแทนคุณความดีของท่านผู้ น, นั้นได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อานนปาติกบุคลิกทานมีอยู่14ชนิดคือ 1. ของที่ถวายแก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ของที่ถวายแก่พระป ja ัเจกพุทธเจ้า 3. ของที่ถวายแก่พระอรหันตสาวก 4. ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรลุษอรหัตผล 5. ของที่ถวายแก่พระอนาคามี 6. ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรุษอนาคามิผล 7. ของที่ถวายแก่พระสกทาคามี 8. ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรุษสกทาคามีผล 9. ของที่ถวายแก่พระโสดาบัน 10. ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรุโสดาปฏิติผล 11. ของที่ให้แก่คนภายนอกพุทธศาสนาซึ่งปราศจากกามราคะ 12. ของที่ให้แก่พุตรชนผู้มีศีล สิบสามของที่ให้แก่ปุถุชนผู้ทุศีลสิบสี่ของที่ให้แก่สัตว์ติรักฌาน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 เราก็ยังกล่าวว่าผู้กระทาได้ประสบบุญแล้วเป็นอันมากเพราะฉะนั้นจะกล่าวไปใหญ่ในทานที่บุคคลให้แล้วแก่ปุถุชนผู้ทุศีนหรือผู้มีศีนจนถึงแก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีผลมากเล่าแต่ทั้งหมดนี้เป็นปาติบุคคลิกทานคือทานที่ให้เฉพาะเจาะจงบุคคล เรากล่าวว่าปาติบุคลิกทานใดๆจะมีผลเท่าสังคทานมิได้เลยอานนท์เอยต่อไปเบื้องหน้าจักมีแต่โคตรภูสงคือสงผู้ทุศีลมีธรมสามสักแต่ว่ามีกาสาวพัดพันคอการให้ทานแก่ภิกษุทุศีลเห็นปานนั้นเห็นแต่อุทิศสงก็ยังเป็นทานที่มีผลมาก มีอนิสงส์ภัยสารประมาณมิได้ พระสงหันไปตรัสแก่พระนางผู้มีจีวร อ, อันจักถวายว่าดูก่อนโคตมีเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้ถวายจีวรแก่สง์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในครั้งนี้จึงจักเป็นโชคราบอันประเสริฐยิ่งแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงเลื่อมใสศรัทธาปรารถนาจะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาค เคยทูลอ้อนวอนขออนุญาตบวชเป็นภิกษุณีตั้งแต่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะนิโคทารามกรุงกบิลพัดแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตทรงอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระพุทธองค์ก็หาทรงอนุญาตไม่จนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากนครกบิลพัดไปประทับณนะกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่กูทาคาร สาราปามหาวันพระนางโคตมีพร้อมด้วยสตรีสากยวงศ์หลายพระองค์ทรงตัดสินพระไทยอย่างเด็ดเดียวที่จะโบดเป็นภิกษุณีจึงพร้อมกันโปรงพระเกสานุ่งห่มผ้ากาสายะสเสด็จจากกรุงกบิลพัทด้วยพระบาทเปลา่าไปสู่นครเวสารีที่ประทับของพระาศาสดาทูลขอบรรพชาอุปสมบท แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตตามเคยพระนางเสียพระไทยและขมขื่นยิ่งนักมาประทับยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูป่ามหาวัน อานนท์มาพบพระนางเข้าทราบเรื่องโดยตลอดแล้วมีใจกรุณาปรารถนาจะช่วยเหลือจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลอ้อนวอนเพื่อขอประธานอุปสมบทแก่พระนางโคตมีพระองค์ผู้เจริญตอนหนึ่งพระอานนท์ทูลพระนางโคตมีพระนานางของพระองค์บัดนี้ปรงพระเกษาแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะ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 ขอให้พระนางได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีตามพระประสงค์เธอพระผู้มีพระภาคประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าอานน o ์เรื่องที่พระนางมีอุปการะมากต่อเรานั้นเราสำนึกอยู่แต่เธอต้องไม่ลืมว่าเราเป็นธรรมราชาต้องรับผิดชอบในสังฆมุนฑล จะเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องความเจริญความเสื่อมของส่วนรวมก็ต้องตรองให้ดีก่อนอานน n ถ้าเปรียบสังคมนทนของเราเป็นนาข้าวการที่ยอมให้สตรีมาบวชในธรรมวินนันนี้ก็เหมือนปล่อยให้ตัวเพลี้ยตัวมแมลงลงในนาข้าวนั้นรังแต่จะทำความพินาศวอดวายให้แก่นาข้าวยังไม่ต้องสงสัย อานน์เราเคยพูดเสมอมิใช่หรือว่าสตรีที่บุรุษเอาใจเข้าไปคล้องนั้นเป็นมนทินอย่างยิ่งของพรหมจันทร์อานน์เอ๋ยถ้าศาสนาของเราจะพึงอยู่ได้ 1,000 ปีแต่หากมีสตรีมาบวช ด, ด้วยจะอยู่ได้500รปีเท่านั้นหรือสมมุติว่าศาสนาของเราจะพึงดำรงอยู่ได้ห0 0รปี เมื่อมีสตรีมาบวชในธรรมวินัยด้วยกวาจะทอนลงเหลือเพียงครึ่งเดียวคือสองร้อยห้าสิบปียาเลยอานนท์เธออย่าพอใจขวนขวายให้มีพิสุณีขึ้นในาศาสนาเลยจะเป็นเรื่องลำบากในภายหลังพระอานนท์ผู้อันเมตตากรุณาเตือนอยู่เสมอกระทำความพยายามต่อ ได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์พูดเจริญถ้าสตรีได้บวชในธรรมวินัยของพระองค์นางจะสามารถหรือไม่ที่จะบรรลุคุณวิเศษมีโสดาปฏิผลเป็นต้นอาจทีเดียวอ น, นุนางสามารถจะทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษมีโสดาปฏิผลเป็นต้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้าอย่างนั้น ขอพระองค์ตรวจประธานอนุญาตให้พระนางโคตมีบวชเถิดพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ประทับนิ่งอยู่อีกครู่หนึ่งแล้วตรัสว่า อานนถ้าพระนางโคตมีสามารถรับครุธรรมแปดประการได้ก็เป็นอันว่าพระนางได้บรรพชาอุปสมบทสมปรารถนาครุธรรมแปดประการนั้นมีดังนี้ 1. ภพิสุณีแม่บวชแล้วตั้งหนึ่งรปีก็ต้องทำการอภิวาทการลุกขึ้นต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิตกรรมแก่ภิษุแม้ผู้บวชแล้วในวันนั้น 2. องพิสูนีต้องไม่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ 3. ามพิสูนีต้องถามวันอุโบสถและเข้าไปรับโอวาทจากภิกษุทุกกึอกเดือน 4. ภิกษุณีจำพรรษาแล้วต้องปวารณาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนสั่งสอนจากสำนักทั้งสองคือทั้งจากภิกษุณีสง์และจากภิกษุสง์ ห้าพิษุณีต้องอบัตหนักเช่นสังฆาธิเศษแล้วต้องประพฤตมานัดตลอด15วันในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งในพิกษุสงฆ์และพิกษุณีสงฆ์ 6. นางศิกคมานาคือสตรีที่เตรียมจะบวชเป็นพิกษุณีจะต้องประพฤตปฏิบัติศีลหข้อคือตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6ให้ครบบริบูรณ์ตลอดเวลาสองปี ขาดไม่ได้ถ้าขาดลงจะต้องตั้งต้นใหม่เมื่อทำได้ครบแล้วต้องอุปสมบทในสงสองฝ่าย 7. จ็พิุนีต้องไม่ด่าว่าเปรียบเปลยหรือบริภาท พ, พิกษุไม่ว่ากรณีใดๆ 8. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้ามพิกษุนีว่ากล่าวสังสอนภิกษุให้พิกษุว่ากล่าวสังสอนภิกษุนีได้ฝ่ายเดียว ดูกรอนอานนนี่แหละคลุธรรมทั้งแปดประการซึ่งพิษุนีจะต้องเคารพสักการะนับถือบูชาตลอดชีวิตจะล่วงละเมิดไม่ดได้พระอนนนจำคลุธรรมแปดประการได้แล้วทูลลาพระผู้มีพระภาคไปเฝ้าพระนางโคตมีเล่าบอกถึงเงื่อนไขแปดประการตามพระพุทธดำรัสแล้วกล่าวว่าโคตมี ท่านพอจะรับครุธรรมแปประการนี้ได้อยู่หรือถ้าท่านรับอันนี้และเป็นบนรรพชาบุสมบทของท่านพระผู้มีพระภาคตรัสมาอย่างนี้พระนางโคตมีปลื้มพระไทยยิ่งนักพระนางเป็นเสมือนสุภาพสตรีซึ่งอาบน้ําชำระกลายอย่างดีแล้วนุ่งห่มด้วยผ้าใหม่มีราคาแพงประพรมน้ําหอมเรียบร้อยแล้ว มีพวงมาลัยซึ่งทำด้วยดอกไม้หอมลงสวมศีรษะสตรีนั้นหรือจะไม่พอใจฉันใดก็ฉันนั้นพระนางทรงรับครุธรรมแปลประการทันทีและปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิต พระพุทธองค์จึงไม่ประสงค์ให้สตรีได้บวชเป็นภิกษณุณีเหตุผลแจมแจ้งอยู่แล้วในพระดำรัสของพระองค์น่าจะทรงเกรงความยุ่งเหยิงอันจะพึงเกิดขึ้นในภายหลังในคลุธธรรมแปดประการก็มีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งบัญญัติว่าภิกษุณีจะต้องอยู่อาวาสเดียวกับพระสงฆ์แยกสำนักไปตั้งเป็นอิสระอยู่ต่างหากไม่ได้ แต่คงจะให้แบ่งเขตกันมิใช่อยู่ปะปนกันเรื่องที่ทรงห้ามมิให้พิษุนีแยกไปตั้งสำนักต่งางหนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายคือพิษุณีคุ้มครองรักษาตัวเองไม่ได้พวกอันธพาลอาจจะบุบบามเข้าไปก่อกวนให้ได้รับความเดือดร้อนคราวนี้มาถึงปัญหาอีกข้อหนึ่งว่าที่แรกดูเหมือนจะเป็นความประสงค์ของพระพุทธองค์จริงๆ ที่จะไม่ยอมให้พิสุนีมีขึ้นในศาสนาแต่ไม่ยอมจำนวนต่อเหตุผลของพระอ น, นุ์หรืออย่างไรจึงยอมในภายหลังเรื่องนี้กล่าวแก้กันว่าพระพุทธองค์จะยอมจำนวนต่อเหตุผลของพระอ น, นุลก็หาไม่ได้แต่พระองค์ต้องการให้เป็นเรื่องยากคือให้บวชได้โดยยากเพื่อพิสุนีจะได้ถนอมสิ่งที่ตนได้มาโดยยากนั้น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 เพื่อบีบคั้นให้พิษุณีหมดไปโดยเร็วสึกงาบทที่มาในพระปาติโม ข, ของพระสงฆ์มีเพียง150ข้อหรือที่รู้กันว่าพระสงฆ์มีศีล227รข้อแต่พิษุณีมีถึง311ข้ออาบัติเบาๆของพระแต่เมื่อพิษุณีทำเข้ากลายเป็นเรื่องหนักแปลว่าพระพุทธองค์ประสงค์ให้พิษุณีหมดไปโดยเร็ว และความประสงค์ของพระองค์ก็สำฤทธิผลปรากฏว่าในสมัยที่พระองค์นิพพานนั้นไม่ได้มีเรื่องกล่าวถึงพิษุนีเลยสันนิษฐานกันว่าพิษุนีอาจหมดแล้วก็ได้มาโผลขึ้นอย่างไรในสมัยพระเจ้าอาโศกอีกก็ไม่ทราบข้อที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือปวัตตินีรูปหนึ่งบวชภิษุนีได้หนึ่งรูปต่อหนึ่งปี และต้องเว้นไปหนึ่งปีจึงจะบวชได้อีกรูปหนึ่งแบบนี้หมดแน่บางท่านให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่พระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ให้มีภิกษุณีนั้นเพราะต้องการให้สตรีเป็นกองสเสบียงการบวชเหมือนการออกรบ ก, กองทัพถ้าไม่มีสเสบียงก็ไปไม่ไหวให้ผู้หญิงอยู่เป็นกองสเสบียงบำรุงศาสนาจักรซึ่งมีพระ เป็นอัทหารและพระพุทธองค์นั้นเป็นพัทรมราชาอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ทรงยอมให้บวชก็เพราะมีพระกรุณาต่อสตรีไม่ต้องการให้สตรีต้องลำบากการบวชเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องระจนภัยนานาประการผู้บวชอยู่ได้ต้องเป็นคนเข้มแข็งไม่ใช่คนอ่อนแอสตรีเป็นเพศอ่อนแอ พระพุทธองค์ไม่ต้องการให้ลำบากเรื่องที่มีสิกขาบทบัญญัติมากสาหรับภิกษุณีนั้นบางท่านให้เหตุผลว่าเพราะภิกษุณีเป็นลูกหญิงของพระพุทธเจ้าธรรมดาลูกหญิงพ่อต้องเป็นห่วงมากกว่าลูกชายและมีข้อห้ามมากกว่าจะปล่อยเหมือนลูกชายไม่ได้ทั้งนี้ก็ด้วยความหวังดีหวังความสุขความเจริญนั่นเอง